ทำวันนี้ <c oughs> คิดว่าจะไม่พูดอะไรให้มากเพราะการดแสดงคำก็คือการนำเรื่องของธรรมะมาเล่าสู่กันฟังตามความรู้และความสามารถของผู้ที่จะพูดได้ มากน้อยเพียงใดแค่ไหนและเคยได้ผ่านการปฏิบัติมีความรู้สึกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงใดแค่ไหนตามพันภูมิของตัวเองหลังนั้นก <c oughs> ารเรียนปริยัติในการฟังเทศน์ เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็ฟังกันมามากและการปฏิบัติตามธรรมะที่เราฟังเรียนรู้แล้วนั้นก็เข้าใจว่าจะมากพอๆกันดังนั้นณโอกาสนี้จึงใกล้ที่จะขอเชิญชวนบรรดาท่านผู้มีเขียรตทั้งหลาย จงกำหนดจิตัางใจว่าท่านจะตั้งใจสมาธิให้ดวงจิตของท่านเป็นสมาธิสติผวังเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเก็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริง แล้วก็รวมเอาความรู้สึกทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ดวงจิตเนกถึงพระบรมมรูคือพระพุทธรธรรมระสงโดยภาษาบาลีว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ แล้วก็นวกรวมลงที่จิตของเราว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระสงฆ์ก็อยู่ที่จิตจิตตัวโู้นิคำว่าพุโทโธนั่นก็คือพุท ธ, ธะรวมความแล้วว่าใครก็ตามที่มีความรู้สึกสำนึกกิดชอบ เหลือโลอยู่ในจิตของตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพุทธะคือผู้รู้อยู่ในจิตของตัวของเราแต่โดยธรรมชาติของพุทธะที่ยังมีสิ่งเมื่อมันยังปิดบังอยู่คือกิเล ตัวผู้โล้ของแต่ละบุคคลจึงยังไม่เห็นชัดเพราะฉะนั้นเพื่อให้ตัวผู้โล้ของแต่ละท่านเด่นชัดขึ้นจึงมีอุบายวิธีที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาเกื่กการทำสมาธิ การทำสมาธิก็คืออุบายที่พยายามที่จะปราบความคิดที่มันแผร่ซ่านอยู่ทั่วทุกคิดให้ไปรวมจุดอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งในเบื้องต้นก่อนโดยที่สุดแม้ความคิดถึงคำพูดเพียงคำสองคำคือพุทโธเป็นต้น หรือเพ่งจดต้องอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามแบบแห่งการเพ่งกระสินอุบายดังกล่าวนี้เป็นอุบายที่ทรางความรู้สึกของจิตที่มันแผ่ไปทั่วทุกิศต่างๆในอารมณ์ต่างๆให้ส้าจากสิ่งนั้นๆมารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธหรือจุดที่เพ่งนั้น และไม่เฉพาะแต่พุโทโธและจุดที่แท่งแม่คำอื่นเช่นยกหนอพองหนอหรือเกิดดับอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นอบายทำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบคือให้แท่งอยู่ในจุดนั้นได้รู้สึกเฉพาะในคำพูดเทียงคำนั้นเท่านั้นอันนี้คืออบายในเบื้องต้นถึงแม้ว่าหลายๆายท่าน อาจจะผ่านการบำเพ็ญภาวนามามีภูมิจิตภูมิใจสูงยิ่งขึ้นไปกว่าระดับขั้นดังที่กล่าวแล้วกว็ตามที่นำมากล่าวอีกก็เผื่อเป็นการเตือนเตือนจิตเตือนใจเตือนความรู้สึกของนักปฏิบัติทั้งหลาย ทยมีความรู้สึกมั่นคงต่อการปฏิบัตินั้นๆนบริกรรมภาวนาก็ดีเลยการพิจารณาทำอะไรอันหนึ่งก็ดีแม้ว่าเราจะทำผ่านมาแล้วเราจะถือว่าเราผ่านขั้นนั้นมาแล้วไม่ได้เราพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำซ้ำๆ ซ, ซ, ซ, ซากๆอยู่ ในระดับนั้นหรือขั้นด้านนั้นซึ่งเริ่มไปจุดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดเบื้องปลายคือขั้นภูมิจิตละเอียดที่สุดตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องสูงสุดนั้นเราจะไปปล่อยทิ้งไม่ได้วิถีจิตที่เคยเดินเดินเดินมาในลักษณะอย่างไร เรามีความรู้ความเห็นอย่างไรเราจะต้องทบทวนสิ่งที่เราเคยผ่านนั่นบ่อยๆเพื่อให้มีความชำนิชำนานเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงผิดเข้าใจผิดบางท่านอาจจะสามารถทำภูมจิตโูมใจให้มีความรู้ในธรรมะขั้นละเอียด เราอาจจะมีความรู้เราอาจจะมีความเห็นแต่ถ้าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกันจริงๆเราอาจจะไปยึดเอาแต่เพียงความรู้และความเห็นเท่านั้นที่เราได้เราถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสำเร็จแล้วแต่เรายังนลกยังขาดการมันเลิกถึงอีกสิ่งหนึ่งคือความเป็น กาบรบรรลุธรรมของผู้ปฏิบัติต้องประกอบพร้อมด้วยลักษณะสามอย่างเพื่อหนึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตสองความเห็นคือเห็นด้วยกับความรู้นั้นสามสภาพจิตที่เป็นหมายถึงการปล่อยวางประกอบพร้อมด้วยลักษณะทั้งสมอย่างนี้จึงจะได้ช่ว่าเรา ที่ท้งรู้ทางเห็นทั้งเป็นในสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นแม้จะเป็นสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เราพิจารณาซ้ำๆสักๆอยู่นั้นมันก็เป็นออบายที่จะทำให้สภาพจิตของเราเปลี่ยนแปลงขึ้ น, นตามลำดับขั้นแห่งความสามารถเพราะฉะนั้นในหลัก ที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวแนะนำสั่งสอนหรือหลักในพระสูตรต่างๆซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะได้เรียนมาแล้วเช่นอย่างในหลักของพจน์งมีปรากฏว่าภาวิตาพระโหีกะตาอบรมให้มากมากกระทำให้มากๆทํทำให้ชำนิชำนาน ในคือหลักการของท่านสำหรับวันนี้อาตมาจะกล่าวถึงหลักการปฏิบัติเพียงแค่ขั้นอนุสติอนุสติคือการละเอกในขั้นนี้จะยกเอาตัวอย่าง แการและเลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติมาโพธิพอเป็นตัวอย่างการเลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติซึ่งเป็นอนุสติข้อหนึ่งในอนุสติสิทธิีนี้เรามาเลึกถึงคนของพระพุทธเจ้าด้วยคําว่าพุทโธเป็นต้น ได้เื่อว่าพุทธานุสติทีนี้ถ้าเรานึกคำว่าพุทโธพุทโธซ้าๆอยู่อย่างนั้นกลายเป็นการภาวนาหรือการอบรมจิตเพื่อจะให้จิตของเรามาติดอยู่กับคำพูดคือคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวอันนี้เป็นอุบายในเบื้องตน้น ทีนี้ขอให้ท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อท่านลึกถึงคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธติ ด, ต, ดติดกันโดยไม่ปล่อยให้มีช่องว่างจิตของท่านสามารถที่จะคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมในเมื่อท่านนึกพุโทโธติ ด, ต, ดติดกันให้ทียิ้ เข้าใจว่าคงไม่มีโอกาสที่จะส่งกระแสไปในทางอื่นได้เว้นเสียแต่ว่าท่านอาจจะเผลอไปกระทักหนึ่งแล้วจิตของท่านอาจจะลืมคำว่าพุโทโธแล้วส่งกระแสไปในทางอื่นเมื่อท่านรู้สึกตัวแล้วก็เอามาไว้ที่พุโทโธตามเดิมเมื่อจิบของท่านเผลอไปนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไร ท่านก็มานึกไว้ที่พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธตามเดิมและพุโทโธเนี่ยท่านสามารถที่จะนึกได้ไม่เฉพาะแต่เวลาที่ท่านมานั่งหลับตาอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้ท่านจะเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทําอะไรอยู่ท่านนึกได้ บางท่านอาจจะคิดว่าเดินนึกพุโทโธกลัวจะเป็นบาปนอนนึกพุโทโธกลัวจะเป็นบาปอย่าไปเข้าใจผิดเราสามารถที่จะนึ็กพดทโได้ทุกการทุกเวลาทุกสถ า, านที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเรานลกได้ทังนั้นเดี๋ย ว, ว่านึกได้ตลอดเวลากแล้วกัน ถ้าท่านตั้งใจที่จะเนนเนพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาไว้แบบนั้น <Okay. S 1> ในเมื่อเนิ่นพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเจ็บมันไม่สงบเป็นสมาธิไม่นิ่งไม่สว่างอย่างที่แบบแผนําหรับตาลาท่านกล่าวไว้มันจะได้ประโยชน์อะไรมันได้จะตรงที่ว่า ท่านสามารถที่จะเอาพวกโทสกัดตั้งความคิดเอาไว้ไม่ให้ปล่อยความรู้สึกให้คิดไปสร้างบาปสร้างกรรมอย่างอื่นหรือให้ความคิดที่เราเรียกว่าความคิดชั่วความคิดไม่ดีนั้นมันน้อยลงแม้จะโดยความตั้งใจก็ตามนีม่เราเอาผลกันเพียงแค่นี้ก่อน <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ถ้าต่างว่าเรามาภาวนาแต่พุโทโธพุธโธพุธโทโธอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถที่จะทำจิตให้ดำเนินไปสู่ขั้นวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่อันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงมีความสงสัยกันมากแล้วเกิน อาตมาเขาบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตจะสง บ, บลงได้เพียงแค่ขั้นอุปจาระอุปจาระสมมาทิเท่านั้นเห็นทำบริกรรมภาวนาว่าโุตโทพุตโฮแล้โ ย, ยบหนอฟองหนอก็ตาม เมืท่านเล็กซ้ๆาๆตักๆอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตสงบลงไปจริงๆเมือมันมีอาการโว้บวาแล้วก็สงบลงไปสว่างขึ้นคำว่าที่ท่านคำวริกรรมภาวนาที่ท่านเล็กอยู่นั้นมันจะหายไปทันทีในเมื่อคำว่ายกหนอคลงหนอกดีพุทโธก็ดีหายไปในขณะที่ท่านมีอาการ รู้สึกเคิ่มๆลงไปใกล้กับจะนอนหลับในตอนนี้จิตมันยังไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิเป็นแต่เพียงเริ่มจะเป็นอุปจารสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนานี่เป็นแต่เพียงสื่อยังจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบ เพียงแค่ขั้นรู้สึกเติมเต็มเหมือนจะนอนหลับแล้วคำภาวนานั้นก็หายไปใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามส่วนมากจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้มีปัญหาว่าเมื่อคำบริกรรมภาวนานั้นหายไปแล้วต่อไปนั้นท่านจะท่านควรจะทําอย่างไร อันนี้ท่านเพึ่งสังเกตจิตของท่านให้ดีถ้าหากว่าจิตท่านลงไปนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยหรือไม่สว่างก็ตามในตอนนี้ถ้าหากท่านสามารถน้อมจิตไปสู่ลมหายใจได้ก็เรียกน้อมจิตไปสู่ลมหายใจทันที เือกำหนดโลลมเข้าลมออกดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉย อ, อยู่เพียงจะรู้ว่ามีลมหายใจเท่านั้นอย่าไปไึกว่านี่ลมหายใจเข้าสั้นนี่ลมหายใจออกสั้นนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ลมหายใจออกยาว เป็นแต่เพียงทําความรู้อยู่ในทีเมื่อลมหายใจเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตก็ยังรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ลมหายใจแม้ว่าเราจะไม่ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาว่าลมหายใจสั้นยาวจิตก็ย่อมรู้อยู่ในที่อยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างความคิดขึ้นมาอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากสมมติว่า เมื่อจิตนิ่งลงไปสู่ความว่างถ้าจิตมันทรงอยู่ในความสว่างแล้วรู้สึกมีปีติก็ให้กำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าจิตมันอาจจะถอนหรือส่งกระแสไปในทางอื่นถ้าท่านไม่รีบบริกรรมภาวนาอีกก็กำหนดจิตล้อมไปสู่ลมหายใจ เอาลมหายใจเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องละเล็กของสติหรือในช่วงนี้บางท่านอาจจะนอนจิตไปเพ่งพิจารณาอาการสามสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นแทงไปในแย่แห่งอสุภารรมาฐานคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูล่หน้าเตสโขกไม่สวยไม่งาม กิจะนากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในเมื่อท่านมายึดเอาลมหายใจเรืออาการสามสิบสองเรี่กยว่ากายกติกายกัตาส ต, าติมาเป็นเครื่องรู้ของจิตมาเป็นเครื่องเล็กของสติกรรมาฐานทั้งสองอย่างนี้จะเป็นอุบายนำจิตของท่านให้ดำเดินเข้าไปสู่ อัปปนาสมาธิหรือถึงขั้นสมถะสมทานแต่บางท่านอาจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุทโธเป็นต้นเมื่อมีอาการเคลิ้มเลิมลงไปแล้วจิตก็เริ่มสงบวูบวูบวูวู บ, ว บ, ว บ, ว บ, วบลงไปแล้วก็เป็นนิ่ง สว่างเร็วว่าจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วจนเกินไปถึงขนาดที่เราไม่สามารถที่จะสำรวจโลปีติและความสุขได้จิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเร็วเกินไปมันก็เป็นลิ่งว่างอยู่เฉยๆอันนี้ต้องพยายามทําบ่อยๆ จนกว่าเราจะสามารถกำหนดเริ่มต้นตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปีีิสุขเอกขตาเบิกพัดจิตให้ดําเนินตามวิถีแห่งองค์ฐานทั้งห้าจนชำนิชํำนานแม้ว่าเราสามารถที่จะทำจิตให้เล่งเป็นสมาธิถึงขั้นสมถาะาหรือเรียกว่าอัปปนาสมาธิได้บ่อยๆเข้า ความจริงความเข้าใจที่ว่าสมถาะาสมถ า, านหรืออัปปนาสมาธิไม่สามารถที่จะทำผู้บริกรรมภาวนาให้มีภูมิจิตดำเนินไปสู่ภูมิวิปัสสนาสมฐ า, านได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอให้ท่านรับปฏิบัติทั้งหลายพึงทำความเข้าใจอย่างนี้เราจะบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจะพิจารณาอะไรก็ดีในเมื่อจิตไปสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆแม้จิตจะสงบละเอียดถึงข น, นาดที่ว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างเดียวเท่านั้น จิตที่เป็นดังนี้ส่วนมากย่อมจะไม่เกิดความรู้ย่อมจะไม่เกิดกสติปัญญาขึ้นมาในขณะที่จิตมีสภาพเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอีกทีนี้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเพียงแค่การบริกรรมภาวนา จิตจะสามารถดาเนินไปสู่ปุ่มวิปัสสนากรรมาฐานได้อย่างไรเอาล่ะสมมติว่าเราเพียงแต่บริกรรมภาวนาให้จิตสงบนิ่งให้จิตสงบนิ่งทุกทุกครั้งจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธินี่บางท่านก็ว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่บางท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉยๆบางท่านก็เรียกว่าอัปปนาจิต อัปปนาสมาธิอัปปนาฌาอัปปนาจิตโดยธรรมชาติแล้วจิตไม่เกิดความรู้ในขณะนั้นเพราะจิตไรสมัทธาภาพในการที่จะคิดโดยประการทั้งปุ่มอันนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติพึงสังเกตให้ดีในตอนนี้ทีนี้ให้เราคอยสังเกตสู แม้ว่าจิตในอัปปนาสมาธิจะไม่มีความรู้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่โดยธรรมชาติของจิตที่สงบแล้วย่อมมีโอกาสที่จะถอนจากความสงบคือถอนจากสมาธิในเมื่อถอนจากสมาธิในขั้นนี้ก้าวถอยขึ้นมาสู่ภูมิแห่งอุปจารสมาธิ เจตอยู่ในภรมโุปจารสมาธินี่เจตย่ยอมมีความคิดในเมื่อเิตเกิดมีความคิดขึ้นมาในขั้นนี้ผู้ภาวนาย่อมจะสามารถน้อมจิตได้พอิตถอนจากัปตาสมาธิมีความคิดเกิดขึ้นก็กำหนดรล้ตามความคิดนั้น เราคิดอะไรขึ้นมาก็กาหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กาหนดรู้อย่าปล่อยโอกาสคิดมันจะคิดเรื่องดีก็ต า, ามคิดเรื่องชั่วกว็ต า, ามเราต้องกาหนดทำสติรู้ตามความคิดนั่นไปเรื่อยๆอย่าไปละโอกาสตามรู้ตามคิดของเราไปเรื่อย จนกว่าจิตของเราจะรู pee, ้สติของเราจะรู้ทันความคิดที่มันคิดขึ้นเพราะความคิดนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลิกของสติความคิดเป็นธรรมอารมณ์ก็ย่อมเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องละลิกของสติ ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแม้จะเป็นนามธรรมก็ตามก็สามารถที่จะทำให้สติกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้ในเมื่อสติตัวนี้ตามทันความคิดจงึงกระเท้าสามารถรู้เท่าทันความคิด รู้สึกว่าคิดสักแต่ว่าคิดโลสักแต่ว่ารู้คิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเมือ่อจิตตามรู้ตามเห็นความคิดไปอย่างนี้จิตเอาความรู่ความคิดเป็นเครื่องรู้ส ต, ติเอาความรล้ความคิดเป็นเครื่องเล็กในเมือ่อจิตกับสติดดนี่ตามทันกันเขา้า สติกลายเป็นมหาสติสติกลายเป็นสติพละก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบลงไปอีกกลายเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิพละในเมื่อใจสงบลงไปแล้วพละหา้าคือสัทธาววริยะสติสมาธิปัญญา อาจจะเป็นรวมพร้อมอยู่ในจุดใด จ, จุดหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเราสงบนิ่งเด่นเป็นสมาธิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือบางทีอาจจะมีภูมความรู้หรือภูมิปัญญาเกิดขึ้นมายกตัวอย่างเช่นอย่างบางท่านที่ภาวนาโพธิโตพธิโตพโทพโ ท, พโ ท, พโทแล้ว ในขั้นต้นเขาสามารถทําจิตให้สงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรพรอจิตมันถอนออกจากสมาธิมาเลยในเมื่อทําหลายครั้งหลายผลเข้าจิตก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้าในเมื่อจิตสงบบ่อยๆเข้าจิตก็มีกําลังมีสติ แล้วก็มีสัมปจญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นเจตสามารถเกิดโคมงความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งตูออกมาจนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มี ทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ห้าสติกับจิตมันตามพันกันตามพันความรู้ที่เกิดขึ้นมานภายในจิตมันก็กลายเป็นภู ม, มิวิปัสสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสน ยังขอฝากไปสาหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแสดงใครที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี่จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐ า, านเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุทโธนี่มีผู้กล่าวนักก่าว่า ภาวนาพุโทโธอย่างรีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถะกสรมฐาน